ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาตอ่อกันเรื่องนารธะราบทเรียว่านาธรทเทวดาเป็นว่าการโต้อตอบกันกำลังสนุกวันนี้ก็ขอตอ่อเลยเมื่อเสนดับดังนั้นแล้วท่านาา น, นานธรรมบอกว่าการที่พระราชานเนก็รลองดีนะ ว่าถ้าโลกหน้ามีจริงขอยืมสตังสต้าร้อยแ้่เวลาไปถึงโลกหน้าฉันไะใช้ถ้านนาถ้าก็บอกว่าถ้าพระองค์มีสีนัตมาจะให้ยืมแต่นี้พระองค์ไม่มีสีนัตมาให้ยืมไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนไม่มีสีนตายแล้วลงนรกหรือไม่อย่างงก็ไปโลกรถานรก การที่จะตามทวงเสตังในนรกก็ดีในโล ก, กันตร์นรกก็ดีไปทวงไม่ไหวเจนั้นจึงไม่ยอมให้เป็นอันว่าเรื่องนี้ต่อก็ต่อเลยนะท่านนาราทาเห็นได้โอกาสที่พระเจ้าแผ่นดินจำนนตต่อตนชิ้นนั้นแม้คนกับเทวดาในคุยกันจะสู้ทันใดหรือท่านเป็นพรหม ยังได้พันนาถึงผลของกรรมในนรกต่างๆอย่างน่าสยดยองมากมายหลายอย่างไว้เจ้าอังคดีราชเดชสนสับเรื่องราวในนรกของพระฤาษีนาระอย่างนั้นก็ทรงสลดพระไทยรู้สึกว่าพระองค์เดินทางผิดไปเสียแล้วจึงได้ตรัสว่าก็ไว้เจ้าแทบจะล้มทั้งยืน เข้าใจผิดจึงไม่รู้จักบาปข้าอข้าแต่พระฤาษีข้าพเจ้าได้ฟังท่านแล้วร้อนใจกลัวภัยในนรกขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเป็นบรหนึ่งบาอน้ำํำเป็นประหนึ่งน้ําแก้กระหายในเวลาร้อนเป็นเกาะที่อาศัยในห้วงมาหาสมุทร เป็นแสงสว่างส่งมาจากในที่มืดขอท่านจงสอนอาตธรรมแกข้าพเจ้าผู้เส่งได้หลงกระทำผิดมาก่อนขอจงบอกคนทางที่จะไม่ไปนรกแกข้าพเจ้าเถิดแม้กวานจริงท่านนารถน่าจะมาสอนใครแต่ใครหลายคนในเวลานี้นะท่านนารถจะในทุนเรื่องโบราณนะ โ บ, บราณโบราณนกราชคือว่าท่านนาราธาจในทูลเรื่องโบราณนกราชให้ฟังเป็นตัวอย่างว่าโบราณในกษัตริย์ทั้งหลายหมายว่ากษัตริย์ในสมัยโบราณเนี่ยได้กระทําการบํารงสวนรคพระรามแล้วก็สเสด็จไปสู่สวรรค์เทวโลกขอให้พระองค์จงละเว้นจากอาธรรมคือความชั่ว ทรงประพฤติแต่ทำอย่างกษัตริย์เหล่านั้นเทศพระองค์จะพระองค์จงให้ราชบรลลุไปประกาศว่าใครหิวใครกระหายใครปรารถนาสิ่งใดใครไม่มีผ้า น, นุ่งพ้าหม่มใครต้องการร่มใครต้องการรองเท้าให้ประกาศแั่งเชา้าแต่งเย็นคนเฒ่าคือคนแก่ เพราโครแก่มาแก่ก็อย่าได้ใช่อย่างแต่ก่อนเว้นเสียเพราะแก่แล้วเดินไม่ไหวทำไม่ไหวจะทรมานสัตว์ผู้ที่มา เ, เป็นกำลังมีกำลังเคยทำความดีพระองค์ก็เพิ่งให้บริการหมายว่าคนใดที่เขาทำความดีก็จงสงเคราะห์เมื่อท่านนารถาได้สแสดงทานกถา ยินน้ษาคถาดังนี้แล้วยิ่งเริ่มดีต่อไปว่าเราจะพัฒนาอาตาภาพเปรียบด้วยได้รถถวายแหมถ้าพนพัานะจะพัฒนาดึวอาตาภาพเปียดได้ลด ถ, ถวายพระราชานี้จะยินดีจึงได้ทรงสแสดงธรรมโลปมาดังต่อไปนี้ว่าขอถวายพระพร ขอให้พระองค์จงมีความสำคัญว่าร่างกายของพระองค์เป็นเช่นเดียวกับราชรถซึ่งมีใจเป็นนายสารถีก็ปรี่กับเราเพราะไม่มีทีนมิทะคือความง่วงเหงาเข้านอนก็ครอบคุมจิตมีอวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนเป็นรเรา มีการบริจาคทานเป็นหลังคามีการสํารวมเป็นกงมีการสํารวมสํ่รวมอะไรมีการสํารวมเป็นกงมีการสํารวมมือเป็นกระพองมีการบริโภคอาหารพอประมาณเป็นน้ำมันชันลมทามีการสํารวมวาจาเป็นอาการอาการเงียบสนิท มีการกล่าวคำสัตย์เป็นองค์รถอันสมบูรณ์มีศรัทธาและไม่โลภไม่โลภะไม่โลภเป็นเครื่องประดับมีการเคารพนบไหวในเป็นทุกมีการกราบไหวเนี่ยเป็นทูกมีความอ่อนโยอนอ่อนอมีความอ่อนโยนเป็งอนรถมีศีลเป็นเชือกขันชนะ มีความไม่โกรธแปลการไม่เสะเทือนมีการบำเพ็ญกุศลเป็นเสเวกชาติมีพหุสจะเป็นทานมีการตั้งจิตมั่นเป็นที่นั่งมีการถอนตนเป็นเชือกแอกมีสติเป็นประตักมีความเพียรเป็นบางเหียน มีใจที่ฝึกฝนดู่ดีแล้วเป็นม้าสำหรับรา่างรถมีความกโกรธเป็นทางคดมีความสํารวมเป็นทางตรงขอถวายพระพรเมื่อกายราชรถเล่นไปในรูปเสียงกลิ่นรถต้องใช้ปัญญาห้ามลอ้อถ้าพระองค์ทรงประพฤติมีชอบมีความเพียรมั่นอยู่ฮะ ถ้าพระองค์ทรงประพฤติชอบมีความเพียรมั่นอยู่ได้แล้วใช้รถนั้นจะหนวยสรรพสมบัติให้ไม่พาพระองค์ปัญญรกเป็นปแน่แท้โอโหท่านสอนสวยจริงๆท่านแนะนำสวยเรื่องนี้ถ้าต้องต่อท้ายกันได้ธรรมะนิดหน่อยแต่นี้ พ, พ่อใหร่ปวัวแหมเรื่องราจบเร็วจริงๆ กรันนนาราทันแสดงธรรมกถาถวายพระเจ้าอังคติราชให้ทรงละมิฉาทิฏฐิตั้งศีลจัางอยู่ในสินที่นี้แลว้วจ้าได้ทรงให้วาดวาดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอพระองค์จงละปาปามิชคือมิชชวัวคบแต่กั ญ, ญาา ย, ยาในมิชญาได้ทรงประมาทเลยขณะที่มาหาชนกำลังดูอยู่นั้น ท่านนารพะก็ได้กลับไปสิทธิ์พระเจ้าอังคธิราชก็ทรงตั้งมั่นอยู่ในอวายของท่านนาฎดาบดโยละมิจฉาทิฏิเริ่มทำบุญให้ทานนี่จะทรงตั้งอยู่ในทุพิตราชธรรมนำความสุขมาสู่ประชาชนประเทศชาติของโราอย่างเดิมไม่เกือบจะแย่ เป็นนั้นว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเรื่องนี้แล้วสมเด็จพระบัณิตแก้วก็ทรงตัดอริยสัจกบันดาท่านพุทธบริษัทที่นั่งรับฟังมีพระเป็นตนองค์สมเด็จพระเทสุพนชี้แจงว่าการเกิดมานี้มันเป็นทุกข์ความจริงท่านนารานาาบท นั่นก็หมายถึงองค์สถาคตนี่เองสําหรับพระราชาก็ดีพระนางจารุราชเทวีรารชกุมารีก็ดีเพราะคนทั้งหมดในสมัยนั้นเวลานี้ไม่ได้มีกายอยู่เพราะกายเดิมไม่มีอยู่ถ้าจะมีอยู่ก็เป็นกายใหม่หมายความว่าจะมาเกิดกันใหม่เท่านั้นฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่กําลังสดับนีอยู่ จงพิจารณาดูว่าการเวียนไหวตายเกิดในวัตถะเท่งกรรมที่เป็นอกุศลที่บรร น, นางจะรู้ราชกุ ม, มารีถวายพระพรกับพระราชวิดาเนื่องในกรรมชั่วที่ตัวธรรมาพิ่นหนึ่งเช่นการเป็นชั่วกับพันยาสามีและบุตรนดาของไข่ที่ก็ห่วงห้าม ที่บิดามันดาหรือผู้ปกครองไม่ได้อนุญาตไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นบาปมันเป็นอกุศลคนไม่ควรจะทำนอกจากจะตกมารกแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ทูทำลายเพศตองเกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหากว่าท่านกล่าวว่าถ้าผู้ชายคนใดต้องการจะเป็นผู้ชายตลอดไปก็อย่าทำการมเมสุมิชาจารย์ ถ้าผู้หญิงคนใดต้องการจะเป็นผู้ชายบ้างและเป็นผู้ชายตลอดไปก็ให้มีความเคารพกับสามีเหมือนบิดานี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้องความรู้สึกขอบันดาท่านพทธบริรมีรพรีริกิาษุพระอุทาสิก า, าที่กำลังนั่งสดับ ว่าเรื่องบาปอกุศลเป็นของมีจริงเทวโลกก็มีจริงเทวดามีพร ม, มีสาหรั บ, บคนที่จะทำตนให้เป็นเทวดานั้นก็ต้องปฏิบัติในเทวธรรมคำว่าเทวธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานิวันดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจะได้เลิกคิดกันสักที ว่ามีคนก็พูดมาว่าเทว ด, ดาไม่มีอะไรไม่มีนั่นแนะพระพุทธเจา้าทรงยืนยันอย่างกับในเรื่องเขา n าร r a ดาบ a นี่ก็เหมือนกันองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาทรงเทศเองถ้าหากว่าท่านพนใดไม่เชื่อก็จงใช้อติต่ังสียานยานที่ถอยหลังไปในอดีตได้ ที่องสมเด็จพระจอมไตรบรมศัยศา์สันดาทรงสอนไว้มีในพระไตรปิฎกหรือว่าเห็นว่าพระไตรปิฎกเขียนขึ้นมาทีหลังเอาความรู้สึกของคนบางพวกมาแอบอ้างว่าเป็นความคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ช่างเถอะและก็ยังมีหนังสีกเริ่มหนึ่งนั่นก็คือวิสุทธิมรร วิสุตติมรรคในสอนวิธีปฏิบัติทางจิตไว้สอนทึ้งคุณของศีลวิธีปฏิบัติศีลไว้ละเอียดในก็สอนถึงวิธีปฏิบัติทำจิตให้เป็นสมาธิสอนวิธีเจริญพระกรรมฐานไว้ทั้งสี่อย่างนั่นคือหนึ่งสุขวิปัสสโก การปฏิบัติประเภทไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็สามารถเป็นอารหันต์ได้สองเตวิโชสามารถมีอารมณ์ใจเป็นทิพย์รู้สวรรค์รู้นรกรู้พรหมรู้นิพพานรู้อดีตรู้อนาคตและก็อุปนิวาสานุสติญาณสามารถเลึกชาติถอยหลังลงไปได้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ ท่านได้หายพญญาสมาบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้มโนโมยิธิซึ่งมีบรรดาท่านพุทธบริษัทแหมมีสมนักเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านปฏิบัติกันมาตลอดการร่านมีเวลาเว้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ขอกล่าวถึงนั่นก็คือสนักวัดปากน้ําภาษีเจริญ ในสมัยก่อนหลวงพ่อสดหรือว่าเจ้คุณมังคคณะเทพมุนีท่านเลยสอนเปิดเผยเป็นรายแรกคือว่าที่อื่นท่านก็สอนกันแต่ก็สอนแบบเงียบๆ <c oughs> ไม่ได้ตั้งเป็นสำนักใหญ่ใครมีคนไม่ใครมีความสนใจไปหาท่านท่านก็สอนแต่ว่าสำนับ ส, สำนักวัดป่ากนาบารีเจริญนี้เปิดมานาน รลวมพ่อเต็งจะสอนวิชามาโนมยิธิหมายความว่าการเห็นดวงการเพ่งภาพเพ่งกายภายในเห็นพระเห็นแก้วอะไรก็าตามเถอะแต่ว่าผลที่ได้มาจริงๆก็คือเป็นทิพย์ปิยกุยานและมโนมยิธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจมีอารมณ์ใจเป็นทิพย์สามารถติดต่อกับภพบต่างๆได้อ น, นี่เป็นพื้นฐานใหญ่ ต่อนเที่ว่าวิชานี้วัดตากน้ำประสิเจริญสมัยนั้นเป็นผู้วางรากฐานที่มีความสำคัญคือกระจายอำนาจออกกระจายความรู้ออกสานักอื่นๆท่านทำได้อาจจะทำได้เหนือกว่านั้นก็มีแต่ได้ว่ากิจการงานนั้นไม่กระจายมากมายไปวัดตน้ำาสิเจริญเวลานี้หลวงพ่อท่านบรรณภาพไปแล้ว แต่ได้ว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ยังมีได้ได้เฉพาะ อ, อย่างยิ่งเวลานี้ความรู้ประเภทนี้เกิดขึ้นมากในเขตของประเทศไทยเพราะนั้นว่าคนที่เขาทำได้เห็นจะนับจานวนเป็นแสนแสนมากมายจริงๆริงอรบันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงย้ ง, ยงความมั่นใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรปรมกศาสดา ถ้าเราแย่ค้นคว้าแกันแค่ตำรานี้รู้สึกว่ามันยากแต่ว่าความจริงเวลานี้พระพุทธศาสนากำลังก้าวขึ้นกำลังจะเินขึ้นรีบรายการหนึ่งการศึกษาด้านวิชาสามคือสองในวิชาสามก็ดีเดินหนึ่งในพิญญาหกที่เรียกว่ามีริษฐานใจก็ดี เรียกว่าจะทรงห้าในพินญาหกที่มีได้ใต้ก็ดีการทำอย่างนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ปฏิบัติได้ก็จงอย่าหลงตัวเองว่าเราดีเสียแล้วเพราะว่าความรู้นี้สมเด็จพระบทณิ์แก้วทรงแนะนำให้พวกเราทั้งหมดที่ทำได้นี่เอาจิตไปกำหนดจับอารมณ์ของกิเลส เพื่อจะทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉตประหารหวังความสุขต่อไปแต่องค์สมเด็จพระยุ่งมารที่สอ น, น, นไว้ก็เพื่อจะยันอารมณ์ของจิต <c oughs> มันดาสิกคือพระพุทธสาวกเพราะว่าการสอนว่านรกมีจริงเปรตมีจริงอาสุรกายมีจริงเทวดามีจริงพรหมมีจริงนิพพานมีจริง คำว่านิพพานมีจริงแล้วมีอยู่ที่ไหนศูนย์หรือไม่ศู์ที่กล่าวก็ว่าศู์หรือไม่ศู์อาตมาไม่ท้าล่าธรมาก็ไม่ยันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจดตังซึ่ง อ, องค์สมเด็จพระพระุทธกาันบรมิศาสดายก็ทรงตัดไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องทำให้ถึงเองรู้เอง การถึงเองการรู้เองทำยังไงก็มีวิธีปฏิบัติทำจิตให้เข้าถึงเมื่อทำจิตให้เข้าถึงแล้วก็อย่าทานลงตนว่าดีเพราะว่าสิ่งทั้งหลายต่านี้เราเอาทำไม่เป็นพยานเพื่อเป็นการตักกิเลสในเมื่อมองเห็นนรกหรือไป น, านารกได้ก็จงจำไว้ถามกรรมใดๆที่บรรดาสนนรกทำกันในกาทบทวนด้วยอนาจ ปุเพนิวาสารโนสติยานว่ากำลังใจของเราเนี่ยในสมัยก่อนๆที่มันเลวมีไหมเคยมาเกิดในนรกมีบ้างหไหมเกิดกี่ครั้งกี่วาระขุมไหนบ้างแต่ได้ขุมถูกทรมานด้วยอะรการใดจำไว้แล้วก็พยายามละอารมณ์ความชั่วนั้นตั้งไว้ในอำ น, นาจของความดี ต่อไปก็ไปบีสูตรว่าเราเคยเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนบ้างได้ก็อาศัยความดีอะไรเป็นเหตุหรือว่าเขาเราเคยเกิดเป็นพรหมชั้นไหนบ้างอาศัยความดีอะไรเป็นเหตุแล้วก็นั่งมองว่าเวลานี้เราทําไมต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก็แนางว่าการเป็นเทวดาหรือพรหมมีความสุขแต่ความสุขนี้ไม่ยืนยงคงทนไม่มีความถาวอนัก ทั้นี้เพราะไรเพราะวา่าเราต้องจุติจากเทวดาเราตึ่งจติตะกลมกีวระกี่ครั้งไม่มีการทรงตัว <c oughs> ถ้าเราจะไปนั่งมัวเมาในความต้องการเทวดาแล้วผมมันก็หาที่สุดของชีวิตไม่ได้ฉะนั้นจึงเด่นน้อมใจไปหาความดีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมิตรศาสดาทรงสั่งสอน ว่าสิ่งที่องค์สมเด็จพระจินาวร์ต้องการก็คือพระนิพพานแต่พระนิพพานเขาทากันยังไงต้องไล่เบีย้ยไปทันต้นดูว่าการเกิดเป็นมนุษย์ขงเราวราวนี้เราจะเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ไหมตอนนี้เราก็ไปดูมนุษยธรรมคือทมนี้ทำบุคคลให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์ชั้นดี นั่นก็คือกรรมบททั้งสิบรายการก ร, รมบทสิบรายการนี้เรามีครบครันไหมถ้าเรายังมีไม่ครบครันก็ต้องทำให้ครบหรือว่าดูกรรมบทจุกจิกเกินไปแล้วก็ดูสินห้าว่าสินห้านี้รักษาไว้ได้บริสุทธิ์ไหม ถ้ารัษาได้บริสุทธิ์เราก็เป็นมนุษย์ได้ถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีเรื่องสิ่ที่หนึ่งจะเป็นปัใจจัยให้เราเป็นคนรูปสวยแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุครบอายุไขสิ่งข้อที่สองจะเป็นปัใจจัยให้เราเป็นคนร่ำรวยและก็ทรัพย์สมบัติจะไม่มีอันตรายจากสอย่างนั่นคือไฟไหม ลมพัดน้ำท่วมโจรลักและโจนปลนทั้งนี้เพระเป็นผลจากการรักษาสิ่ข้อที่สองแต่สิ่ข้อที่สามของเราดีเราก็จะเป็นคนมีความสุขเกี่ยหมายก ว, าว่าคนที่อยู่ในบังคับบัญชาทุกคนจะปฏิบัติตนเป็นคนดีไม่ออกนอกลูก่นอกทางเป็นที่เบาใจ สำหรับสิงข้อดีสี่นี้ใชถ้าเราสามารถจะทรงได้ได้จะเป็นคนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นมีคําพูดเป็นที่รักของบุคคลผู้ได้สันดับเรียกว่าคนปากหอมถ้าว่าเราทรงสิงข้อดีห้าได้เราจะไม่คเป็นคนไม่มีโรคประสาทจะไม่เป็นโรคบ้ายจะเป็นคนมีสติสมรจินญาสมบูรณ์จะเป็นคนฉลาดสามารถมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างดี นี่เป็นนั้นว่าถ้าเราได้วิชานี้แล้วก็รู้ว่าเราต้องการเป็นคนเราก็เป็นคนชั้นดีถ้าเราต้องการเป็นเทวดาเราจะเห็นว่าเทวดาทั้งหมดก่อนที่จะไปเป็นเท um ดวดาใจเจต้องเป็นเทวดาไว้ก่อนก่อนที่จะตายกร่ร่างกายไม่สาคัญสำคัญที่ใจใจเป็นใจเทวดาเราตายจากคนเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาใจเทวดาหมายที่ยังไง ก็หมายความว่าใจเคารพในคุณธรรมสองอย่างคือหิริละโอตะปะฮิริอายความชั่วไม่ทัดทานไม่กล่าวไม่กล่าวร้ายไม่ทําลายความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้ตั้งใจรักษาความดีและความชั่วอายความชั่วกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์ เพราะเราต้องการมีความสุขคือมีสภาวะเป็นทิศเมื่อทรงได้อย่างนี้เราตายจากคนเราก็เป็นทวดาถ้าเราต้องการเป็นพรหมเราก็ต้องทําใจให้เป็นพรหมที่ก่อนที่เราจะตายการที่จะเป็นพรหมก่อนเราจะตายพรหมเขาเกิดเพราะอาศัยอะไรจริงเป็นพรหมคุณฑธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นพรหมก็คือฌานสมาบัติ <c oughs> การที่จะประกอบทางสมาบัติให้เกิดขึ้นมันได้ก็ต้องอาศัยศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีจิตประกอบด้วยความเมตตาปราณีเพื่อทรงพรมิหารศีลและจิตไม่ละนิวาสไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของนิวรห้าประการคือเราจิตใจและใจไม่มวมเมาในรูปเสียงกลิ่นรสแต่โพธพระรูปสวยเสียงพระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ ในขณะที่จิตทรงฌานทำสมาธิไม่ถือโกรธ ถ, ถือพยาบาทไม่สร้างความง่วงเหงาห่อนนอนให้เกิดขึ้นในขณะทำความดีทำจิตของเรานี้ให้มีความมั่นคงตรงในอารมณ์ที่จะสร้างจิตให้เป็นสมาธิไม่สงสัยในความดีที่องค์สมเด็จพระินาสีทรงสอน เมื่อจิตทรงอยู่สามารถชนะนิวรณ์ห้าบริการก็ตั้งอยู่ในอนุสติคนได้ในอะไรก็ได้ที่เป็นความดีที่พระพุทธเจ้าสอนจิตเป็นฌานเมื่อตายจากความเป็นคนแสดงว่าถ้าจิตเป็นฌานจิตก็เป็นจิตพรหมจิตเป็นพรหมตายจากคนจิตตัวนี้ก็ไปเป็นพรหม แต่ว่าโดยนิยมแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระบุที่แก้วต้องการพนิพพานเช่นนั้นหากว่าท่านต้องการพรนิพพานก็มีอารมณ์ตัดคือทรงศินให้บริสุทธิ์โซสมาเทียต่างมันตัดิวห้าบริการให้หมดจิตใจถ้าอารมณ์ใจสร้างอารมณ์ไม่อย่างเดียวคือถือพนิพพานเป็นอารมณ์ละความโลภเสสิ้นจากจิต ละความโกรธให้สิ้นจากจิตละความหลงให้สิ้นจากจิตเป็นเท่านี้จิตก็จะเป็นจิตที่มีความบริสุทธิ์ผุดองไม่เกี่ยวข้องไปด้วยกิเลส ท, ทั้งปวงืว่าตายจากความเป็นคนก็ไปพนิพพานสำหรับพนิพพานอยู่ที่ไหนบรรดาท่านพุทธบริษั ท, ทหลายจะหาเรื่องทะเลาะกันเลยถ้าต้องการจะรู้พระนิพพานจริงๆแล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง ทำจิตคือศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิให้ตั้งมั่นใช้ปัญญาพิจารณาขันว่าเราไม่ติดอยู่ในกันห้าไม่ติดอยู่ในกายของเราไม่จิดติดอยู่ในกายของบุคคลอื่นไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุใดๆเพราะจิตใจขบัรดาท่านพุทธศาสนิกชนนั้นหลายเข้าถึงโคตรภูยานตอนนั้นความจริงพระนิพพานจะปรากฏบรรดาท่านพระพุทธบริสัท อาณบรรดาท่านพุทบริษัททั้งหลายโดยทุนหน้าเรื่องสองเรื่องนี้จันทุกบันก็ดีนาราธาดาเบิดคนดีทั้งสองเรื่องสั้นมากอาตมา ก, ก็ไม่ใหญ่อธิบายช่วงกลางให้มากนักเกอเกรงว่าจะเปงการกวนใจบรรดาท่านพุทธบริษัทสองเรื่องนี้จะได้คาบกันคือกัดเศษคาบกันแล้วก็เรื่องก็สันส้นๆต้องต่อท้ายเส้นหลายนาทีตอนนี้ก็ขอชุน ม, มุมชาดก อง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเรื่องนี้จบแล้วจริงที่นมชาดกว่าอลาตะเสนาบดีสมัยนั้นก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตสุวรรณอมาสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระพัฒ่เดชท่านวิชัยอมาสมัยนั้นมาเกิดเป็นภาษารีบท ท่านบิดเจกะว บ, บรุษนะฮิดเจกะว บ, บรุษสมัยนั้นมาเกิดเป็นมัมประมหาหมกกราท่านคุณอาชีวกสมัยนั้นมาเกิดเป็นอาชีรกชีเปลือยที่เป็นคู่แปรกับพระพุทธเจา้าท่านานารุจาราชกุมารีสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระอนนท์เห็นไหมพร <c oughs> ะอนนท์ น, นี้ท่านเจ้าชู้มืก่อนก็ย่อมไปเกิดเป็นผู้หญิ ง, งก็พอๆเหมือนกัน และก็ท่านนาราธาดาบทสมัยนั้นอะหังเอวมาเกิดเป็นตถาคตนี้เองคือพระสุ ม, มาสัมพุตเจา้าอาราบันดาญาโยมพุทธบริษัททุท่านมองดูเวลาหมดเวลาพดีขอลาก่อนในงวดหน้าเพื่ฟังเรื่องราวของพี่ทรรรูราบันดิตต่อไปสําหรับนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทางพุทธบริษัท ขอความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผ ล, ล, ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี